อาตมาภาพเห็นเด็กหนุ่มของท่านทั้งหลายเรียกอยู่ว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าเป็นบุตรผู้เป็นที่รักที่ได้มาโดยยากยังไม่ทันแก่ก็ตายเสียแล้วอาตมภาพเห็นเด็กหญิงของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเด็กหญิงที่สวยงามน่าชมถูกมัจุปล้นชีวิตสิ้นชีวิตไปแล้วเหมือนหน่อไม้ไผ่ยังอ่อนที่ถูกถอนฉะนั้น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 และกองผลทั้งหลายตลอดถึงพระราชนิเวศอันเป็นที่รื่นรงแก่ลูกลูกจงแวดล้อมด้วยราชกัญญาอันงดงามเป็นปริมณฑลมีหมู่บริจาริกานารีห้อมล้อมจงครองราชสมบัติเถิดลูกจงเจริญเถิดจกทำอะไรในป่าพระมหาสัตรัสว่ามหาบาพิษจะให้อัตมาภาพเสื่อมไปเพราะทรัพทําไม บุคคลจกตายเพราะภริยาทาไมประโยชน์อะไรด้วยความเป็นหนุ่มสาวซึ่งต้องแก่ทำไมจะต้องให้ชราครอบงำในโลกสันนิวาตซึ่งมีชราและมรณะเป็นธรรมดานั้นจะเพลิดเพลินไปทาไมจะเล่นหัวไปทำไมจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภริยาแก่อัตมภาพ มหาบาพิษอาตมาภาพเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกมัจจุราชย่อมไม่ประมาทในอาตมาภาพผู้รู้ชัดอย่างนี้ว่าเมืออ่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมเกิดภัยแต่การหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยแต่ความตายเป็นนิด ฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางพวกพอตกเวลาเย็นก็ไม่เห็นกันชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นบางพวกพอถึงเวลาเช้าก็ไม่เห็นกันภูมิประเทศที่ตั้งกองช้างกองรถกองราบย่อมไม่มีในสงครามคือมรณะนั้น ไม่อาจจะต่อสู้เอาชัยชนะต่อมริตยูด้วยเวทมนต์หรือยุทธวิธีหรือสินทรัพย์ได้มริตยูมิได้เว้นกษัตริย์รามพ่อค้าลูกจ้างคนจันทานและคนเทอยากเยื่อไรไร่ย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียวควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะพึงรู้ว่าความตายจะมีพรุ่งนี้ เพราะความผัดผ่อนกับมัจจุราชผู้มีกองทัพใหญ่นั้นไม่มีเลยโจนทั้งหลายย่อมปรารถนาทราบอาตมาภาพเป็นผู้พ้นจากเครื่องผูกขอถวายพระพรเชิญมหาบาพิษเสด็จกลับไปเถิดอาตมาภาพไม่ต้องการราชสมบัติ